ทรั์ที่อยู่ในป่า107ที่ชื่อว่าป่าได้แก่ป่าที่มนุษย์ครอบครองที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในป่าได้แก่ทรัพย์ที่เขาเก็บไว้ในป่าโดยฐานะสี่คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งต้องอบัตทุกกฎจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจทาให้เคลื่อนที่ ต้องอบัติปาราชิกภิกษุมีทยจิตจับต้องไม้เถาวันหญ้าที่เกิดในป่านั้นมีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอบัติทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัติทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัติปาราชิก